8. ปพระธมมาสูจิวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็มเรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่าวิมานมีเสาทําด้วยแก้วมณีนี้สูงมาก วัดเดิรอบได้สิบสองโยต์มีปราสาทเจ0ร้อยยอดดูโอลานมีสาวประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงามท่านสถิตเด่มกินอยู่ในวิมานั้นมีทวยเทพพากันบันเลงพินทิพย์ดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจา ก, กามคุณอันเป็นทิพยรสและเหล่าเทพนารีประดับด้วยอาภรทองคาฟ้อนราอยู่ เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาะจึงสําเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่านเทวดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพระบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่าทานที่ข้าพเจ้าถวายมาก่อนนั้นไม่มีผลทานที่จะถวายควรเป็นของดีเข็มที่ข้าพเจ้าถวายไปแล้วนั่นแหละเป็นของดีเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสําเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้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 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็มเรื่องที่สองพระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่าวิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดเดิรอบได้สิบสองยดเป็นปราสาทเจ0รอยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงามท่านสถิตดื่มกินอยู่ในวิมานนั้น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 มีใจผ่องใสไม่มัวหมองเลื่อมใสแล้วได้ถวายเข็มแ ด, ด่ท่านด้วยมือทั้งสองของตนเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันเพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้และโผขะทางมวล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทาไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยสูจิวิมานที่9จบ 10. ปฐมนาควิมานว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิศเป็นภาณนะเรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานเถระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่าท่านขี่ช้างเผือกพองไม่มีตำหนิมีงางอนงาม ทรงพลังไปได้เร็วมากเป็นคจสศารประเสริฐควรแก่การขับขี่ผูกสายรับประคนทองคำไว้เรียบร้อยเหาะมาที่นี้ที่งาทั้งสองของพญาคจสศารล้วนมีสะโบครณีเนรมิตมีน้ำใสสะอาดดาวระดาดด้วยประทุมชาติมีดอกบานสะพรั่งในดอกประทุมทุกๆดอกมีหมู่ดุริยเทพบรรเลงเพลง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 ข้าพเจ้าเลื่อมใสแล้วได้นำดอกไม้แปดกำมือเท่านั้นไปบูชาที่พระสถูปของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือนิพพานด้วยมือทั้งสองของตนเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากขขาพระเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ขขาพระเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปฐมมนาคาวิมานที่สิบจบ 11. ทุติยะนาควิมานว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิพเป็นพานะเรื่องที่สองพระมหาโมคลานะเทระถามเทพประบุตรองหนึ่งว่าท่านทรงช้างใหญ่เผื่อโปรดเป็นโคจรสารประเสริฐแวดล้อมด้วยหมู่เทพ อ, อักสรเที่ยววนเวียนอยู่ตามป่าเปล่งรสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุดดาประกายพรก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 เทพประบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นอุบาสกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักสุได้งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเทจและไม่ดื่มน้ำเมามีจิตเลื่อมใส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 และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยนาขาวิมานที่11จบ 12. ตาติยนาขาวิมานว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิพเป็นพาณนะเรื่องที่สมบุรุษผู้เป็นบัณฑิตถามเทพประบุตนหนึ่งว่าใครหนอมีช้างเผื่อปลอดเป็นยานทิพมีเสียงดนตรีประคมกึกกล้อง มีบริวารเป็นอันมากบูชาอยู่ในอากาศท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะบุรินทะพวกเราไม่รู้จักจึงขอถามท่านพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรเทพประบุกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันทั้งไม่ใช่เท้าสักกะบุรินทะแต่ข้าพเจ้าเป็นเทพประบุตนหนึ่งในบรรดาเหล่าเทพชาวสุธรรมะ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตถามว่าแน่เทพชาวสุธรรมะเขาพระเจ้าขอกราบเรียนถามว่าคนทำกรรมอะไรไว้สมัยเป็นมนุษย์จึงจะเกิดเป็นเทพชาวสุธรรมะได้เทพประบุกล่าวว่าผู้ใดพึงถวายอาคารมุงบังด้วยใบยอ้อยอาคารมุงบังด้วยหญ้าและอาคารมุงบังด้วยผ้าผู้นั้นครั้นถวายอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งในอาคารสามอย่างแล้ว จึงจะเกิดเป็นเทพชาวสุธรรมะได้ตาติยะนาคาวิมานที่12จบ 13. จูลระระถฐวิมานว่าด้วยวิมานที่มีรถทิพย์คันเล็กเป็นภานะ เกิดขึ้นแก่สุชาตากุมารพระมหากัจจายนะเถระทูลถามสุชาตากุมารว่านายขมังธนูท่านยืนลดธนูไม้แก่นอันยอดเยี่ยมอยู่ท่านเป็นกษัตริย์หรือราชกุมารหรือเป็นพรานป่าสุชาตากุมารตรัสตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นราชโอรสของพระเจ้าอัสกะเที่ยวไปในป่าภิกษุ ข้าพเจ้าขอบอกนามแก่ท่านชนทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่าสุชาตเข้าพเจ้าเที่ยวลัดเลาะไปยังป่าใหญ่เสาะหาหมูเนื้อไม่ทันได้เห็นเนื้อนั้นเลยแต่มาพบท่านเข้าจึงได้หยุดยืนอยู่พระมหากัจจายนะเทระทูลว่าพระองค์ผู้มีบุญมากพระองค์เสด็จมาดีแล้วทั้งมิได้เสด็จมาร้าย ขอเชิญพระองค์ทรงตักน้ำจากภาชนะนี้ล้างพระบาทของพระองค์เถิดนี้น้ำเย็นหน้าดื่มนํามาจากซอกเขาพระราชโอรสขอเชิญพระองค์สวยน้ำจากภาชนะนั้นแล้วโปรเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนพื้นที่ปูลาดไว้แล้วสุชาตะกุมารตรัสว่าพระมหามุนีวาจาของท่านงามจริงหนอหน่าฟังไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ไพเราะ ท่านมีปัญญากล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านยินดีอะไรจึงอยู่แต่ในป่าพระฤาษีผู้องค์อาจข้าพเจ้าถามแล้วท่านโปรดบอกด้วยเถิดข้าพเจ้าพิจารณาถ้อยคําของท่านแล้วจะประพฤติอย่างสม่ำเสมอตามคันลองแห่งธรรมอันนำมาซึ่งประโยชน์พระมหากัจจายนะเทระทูลว่าพระราชกุมารอาตมภาพชอบการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง การงดเว้นจากการลักขโมยการประพฤติผิดประเวณีและการดื่มน้ำเมาความงดเว้นความประพฤติชอบความเป็นหูสหูตรความกระตันยูทำเหล่านี้เป็นธรรมอันกุลบุตรพึงหวังในปัจจุบันอันวินยูชนพึงสรรเสริญแท้พระราชโอรสพระองค์ทรงทราบเถิดว่าพระองค์ใกล้สวรรคตเหลืออีกไม่ถึงห้าเดือนโปรดรีบเลื้องตนเสียเถิด พระราชะกุมารตรัสถามว่าเขาพระเจ้านั้นพึงไปชนบทไหนทําการงานอะไรและทําหน้าที่ของบุรุษอย่างไรหรือใช้วิชาอะไรจึงจะไม่แก่ไม่ตายพระมหากัจจายนะเถระทูลว่าพระราชโอรสไม่มีสถานที่ที่สัตว์ไปแล้วไม่พึงแก่ไม่พึงตายทั้งการงานวิชาและหน้าที่ของบุรุษ ที่สัตท์ทมแล้วจะไม่พึงแก่ไม่พึงตายก็ไม่มีแม้ชนทั้งหลายที่มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากถึงจะเป็นกษัตริย์ผู้ครองแวนแคว้นมีทรัพย์และธัญญาหารมากมายจะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีเลยถึงท่านผู้เป็นบุตของชาวอันทกะเวณทุผู้ได้ศึกษาแล้วมีความสามารถแกล้วกล้ า, ลาประหารฆ่าศึกได้ แม้ท่านเหล่านั้นซึ่งเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนก็ต้องถึงความสิ้นอายุสลายไปแม้เหล่าชนที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานปุ ก, กุสะและชนประเภทอื่นโดยชาติกำเนิดซึ่งจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีแม้เหล่าชนผู้ไร้ม์พรหมจินดามีองค์หกและเหล่าชนที่ใช้วิชาอื่นๆจะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีอันหนึ่ง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 ข้าพเจ้าโล่งใจเพราะเนื้อความที่เป็นสุภาษิตและขอท่านโปรเป็นที่พึ่งที่ระลึกถงข้าพเจ้าด้วยเถิดพระมหากัจายนะเถระทูลว่าขอพระองค์จงอย่าทรงถึงอัตมาภาพว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเลยขอจงทรงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นสักยบุตรผู้มีความเพียรยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งอัตมาภาพถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วพระองค์นั้นแหละว่า เป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดพระราชกุมารตรัสถามว่าท่านผู้นีรทุกข์พระศาสดาของท่านพระองค์นั้นประทับอยู่ณชนบทไหนถึงข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระชินเจ้าผู้หาบุคคลใดเสมอเหมือนมิได้พระเทระถวายพระพรว่าพระศาสดาผู้เป็นบุตรอาชาในทรงสมภพในราชวงศ์ของพระเจ้าโอกาก ร, ราช ในชนบท ด, ด้านที่ตะวันออกพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานเสรยจแล้วพระราชกุมารตรัสว่าท่านผู้นี้ระทุก์ถ้าพระบรมศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านยังสนพระชนอยู่ถึงไกลหลายพันโยน์ข้าพเจ้าก็จะพึงไปเฝ้าใกล้ๆให้จงได้ท่านผู้นิระทุก์แต่เพราะพระบรมศาสดาของท่านเสด็จดับขันธปรินิพานเสียจแล้ว ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอถึงพระองค์ผู้มีความเพียรยิ่งใหญ่ซึ่งเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมที่ยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเทวดาและมนุษย์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอ ง, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยพลันขอ ง, งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลก ยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จและไม่ดื่มน้ำเมาพระเทระถามเทพบระบุนั้นว่ารถใหญ่ของท่านนี้แผ่รัศมีไปโดยรอบกว้างร้อยโยธ ด, ดังดวงอาทิตย์มีรัศมีมากโคจรไปในท้องฟ้าส่งแสงไปทั่วทุกทิศรถใหญ่ของท่านนี้บุ ด, ด้วยแผ่นทองคำโดยรอบงอนรถนั้นวิจิตด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีแผ่นทองคา และแผ่นเงินมีลวดลายสวยงามประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูนบรรจงสร้างไว้อย่างดีทำให้แลดูงามและปลายงอนรถนี้สร้างด้วยแก้วไพยทูนแ a กรถนี้วิจิตรด้วยแก้วทับทิมแม้ม้าเหล่านี้ก็ประดับด้วยทองและเงินวิ่งได้เร็วทันใจแลดูสง่างามท่านยืนสง่าอยู่บนรถทองคาเทียมด้วยม้าพันตัวเ็นพาณนะ เบลีบดังเท้าสักกะจอมเทพท่านผู้มียศอาตมภาพขอถามท่านผู้ชาญฉลาดว่ายศอย่างโอลานี้ท่านได้มาอย่างไรเทพบุตรตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นราชโอรสนามว่าสุชาตะและพระคุณเจ้าได้อนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้ตั้งอยู่ในความสํารวมอนหนึ่งพระคุณเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุ ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาด้วยกล่าวว่าสุชาตราชโอรสพระองค์จงทรงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้การบูชานั้นจกเป็นประโยชน์แก่พระองค์เองข้าพเจ้าได้ขนไขายบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยของหอมและดอกไม้ทั้งหลายครันละร่างมนุษย์แล้วได้เกิดในสวนนันทวัน มีเหล่านางอับสนฟ้อนรำขับร้องห้อมล้อมเรื่นรมอยู่ในสวนนันทวันอย่างงามเลิหน้ารื่นรมขวักคว่ไปด้วยฝูงนกนานานชนิดจูละรัถวิมานที่13าจบ 14. มหารัฐวิมานว่าด้วยวิมานที่รถทิพย์คันใหญ่เป็นพาณนะเกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโคพระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าท่านขึ้นรถเทียมด้วยม้าพันตัวเป็นพาณนะงามวิจิตอเนกประการรุ่งเรืองเหมือนกับท้าววาสวะบุรินทะผู้เป็นจอมเทพซึ่งกำลังเสด็จไปที่ใกล้พื้นที่อุทยานโดยลาดับ แคร่รถทั้งสองข้างของท่านก็ล้วนแล้วด้วยทองคําประกอบไม้เท้าแขนสองข้างไม้คานทั้งสองสนิท ด, ดีมีลูกโรงจัดไว้ได้ระเบียบเรียบร้อยเหมือนช่างศิลป์บรรจงจัดไว้เสร็จแล้วรถของท่านนี้ ร, รุ่งเรืองดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทองคําวิจิต ด, ด้วยรัตนะต่างๆมากมายมีเสียงเกลกกล้องไพเราะน่าเพลิดเพลิน ทั้งมีรัศมีรุ่งโรดรุ่งเรืองด้วยมูเทวดาถือแท่จามนดุมรถเหล่านี้ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถประดุดเนรมิตด้วยใจทั้งวิจิตด้วยลวดลายเป็นร้อยสว่างสวัยดังสายฟ้าแลบรถคันนี้พราวไปด้วยลวดลายวิจิตอเนกประการและกงล้อใหญ่มีรัศมีตั้งพันมีเสียงดังไพเราะน่าฟัง คล้ายดนตรีเครื่องห้าที่ขับประคมแล้วงอนรถร้อยไว้ด้วยแก้วมณีมีสันฐานกลมดังดวงจันทร์วิจิตรบริสุทธิ์งดงามผุดพ่องทุกเมื่อประกอบด้วยลายทองเนียนสนิทงามล้ำดุดลายแก้วไพลทูลม้าเหล่านี้ผูกร้อยไว้ด้วยแก้วมณีมีสันฐานกลมดังดวงจันทร์สูงใหญ่ว่องไวเปรียบเหมือนม้าใหญ่ที่เจริญเติบโต มีฤทธ์มากทรงพลังรวดเร็วมากรู้ใจของท่านวิ่งไปได้เร็วดังใจนึกด้วยว่าม้าทั้งหมดนี้อดทนเหาะย่างไปด้วยเท้าทั้งสี่รู้ใจของท่านวิ่งไปได้เร็วดังใจนึกมีกริยาท่าทางนุ่มนวลไม่ลำพองวิ่งเรียบทำให้ผู้ขับขี่เบิก บ, บานใจเป็นยอดม้าทั้งหลายบางคราวก็แกว่งขนหางไปมา บางคราวก็วิ่งเหาะแย่างเท้าไปบางคราวก็เหาะไปทําเครื่องประดับที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยให้กวาดแกว่งเสียงเครื่องประดับเหล่านั้นดังไพเราะน่าฟังคล้ายดนตรีเครื่องห้าที่ขับประโคมแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับทั้งหลายเสียงกีบเท้ามา้าเสียงม้าเสียดสีกันและเสียงเทพผู้บันเทิงดังไพเราะคล้ายดนตรีของคนทันในสวนจิตลดา เราเทพอับสอนอยู่บนรถมีดวงตาอ่อนโยนคลายดวงตาลูกเนื้อสายมีขนตาดกมีใบหน้ายิ้มแย้มพูดจาอ่อนหวานมีร่างกายคลุมด้วยขายแกวไพทูลมีผิวเนียนซึ่งคนธันและเทวดาผู้สูงศัก์บูชาทุกเมื่อเป็นประจำเทพอับซอนเหล่านั้นมีรูปโฉมเย้ยยวนหน้ายินดีทรงพัสรพนสีแดงและสีเหลืองมีดวงตากลมโต มีในตางามน่ารักยิ่งนักเป็นผู้ดีมีสกุลมีเรือนร่างสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสยืนประนมมือเด่นอยู่บนรถเธอเหล่านั้นสวมใจทองต้นแขนทรงพัสราพรงดงามมีเอวกลมกลึงขาเรียวงามทันเต่งตึงนิ้วมือเรียวกลมพักผุดผ่องน่าชมยืนประนมมือเด่นอยู่บนรถ เทพอับสรบางพวกมีช้องผมงามล้วนเป็นสาวแรกรุ่นมีมวยผมแซมสลับด้วยแก้วทับทิมและพวงดอกไม้จัดแต่งไว้เรียบร้อยมีประกายแพร่พราวเทพอับสรเหล่านั้นมีกริยาแช่มช้อยมีใจชื่นชมต่อท่านยืนประนมมือเด่นอยู่บนรถบางพวกมีมาลาัยแก้วประดับเสิร์ตและทับสวงด้วยดอกปทุมและอุบลทรงเครื่องประดับ อบด e ้วยแกนจันเทพอักษรเหล่านั้นมีคริยาแช่มชอยมีใจชื่นชมต่อท่านยืนประนมมือเด่นอยู่บนรถเทพอักษรเหล่านั้นประดับพวงมาลัยและทับสูงได้ดอกประทุม um, และดอกอุบลทรงเครื่องประดับอบด้วยกแกนจันถึงบางพวกก็มีคริยาแช่มชอยมีใจชื่นชมต่อท่านยืนประนมมือเด่นอยู่บนรถ บางผู้สว่างสวัยไปทั่วทั้งสิบทิศด้วยเครื่องประดับคอมือเท้าและศะีรษะเหมือนพระอาทิตย์ในศาตการกำลังอุทยัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แขนทั้งสองต้องลมก็ไหวพลิ้วเปลงเสียงกลางวานไพเราะจับใจอันวินยูชนทุกคนควรฟังท่านผู้เป็นจอมเทพเสียงรถมา้าช้างและดนตรีทั้งหลาย ซึ่งอยู่สองข้างพื้นอุทยานทำให้ท่านบันเทิงใจดุดพินทั้งหลายมีรางและคันถือที่ประกอบไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อพินมีเสียงไพเราะจับใจจำนวนมากเหล่านี้ที่เทพอับสอนทั้งหลายบรรเลงอย่างซาบซึ้งตรึงใจยิ่งอยู่แล้วนางอับซรเทพกัญญาผู้ล้วนชำนาญศิลป์ต่างพากันร่ายรำอยู่บนดอกปทุมทั้งหลาย ในเวลาที่มีการขับร้องการประโคมและการฟ้อนเหล่านี้ประสานกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเทพอับสรนพวกหนึ่งฟ้อนรำอยู่บนรถของท่านนี้อีกพวกหนึ่งทางด้านนี้เปล่งรัศมีสว่างสวัยทั้งสองด้านท่านนั้นผู้อันหมูเทพดุริยางปลุกเราให้เกิดปิติสมนัตอันทวยเทพทั้งหลายบูชาอยู่บันเทิงใจอยู่ดังพระอินผู้ทรงวชิราวุธ ในเมื่อพินมีเสียงไพเราะจับใจจำนวนมากเหล่านี้ที่เทพอับสรทั้งหลายบันเลงอย่างซาบซึ้งตรึงใจยิ่งอยู่เมื่อชาติก่อนท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมอะไรไว้ท่านได้รักษาอุโบสถหรือว่าได้ชอบใจการประพฤติ ธ, ธรรมและการสมาทานวัดอะไรการที่ท่านมีอิทธานุภาพไพบูรุร่งโรจน์ยิ่งกว่าหมู่เทพนี้มิใช่ผลกรรมเล็กน้อยที่ท่านทาไว้แล้ว หรืออุโบสถที่แท่นประพฤติแล้วในชาติก่อนนี้เป็นผลของทานหรือศีลหรือการกราบไหว้ของท่านอาตมาถามท่านแล้วโปรดบอกผลกรรมนั้นแก่อาตมาเถิดเทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชนะอินทรีแล้ว มีความเพียรไม่ย่อหย่อนผู้สูงสุดแห่งนระทั้งหลายเป็นอัครบุคคลเปิดประตูอมตะนิพพานเป็นเทพยิ่งกว่าเทพซึ่งมีบุญลักษณะนับร้อยครั้นได้เห็นพระองค์ผู้ข้ามโอคาได้แล้วเช่นกับกุญชรมีพระวรกายงดงามเช่นกับทองสิงขีและทองชมพูนุชพลันเข้าพเจ้าก็มีใจหมดจดเพราะได้เห็นพระองค์ ผู้มีธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธงนั่นเองเขาพระเจ้านั้นมีใจไม่ติดข้องในอะไรได้มอบถวายข้าวน้ำจีวรและของที่สะอาดปราณีตมีรสชาติเฉพาะพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นในที่อยู่ของตนซึ่งดารดาษ ด, ด้วยดอกไม้ได้อังค่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งทรงเป็นผู้สูงสุดกว่าเรามนุษย์ให้อิ่มน้ำเลือข้าวน้ำจีวร ของเคี้ยวของฉันและของลิมจึงรื่นรมอยู่ในสวรรค์อันเป็นเทวบุรีด้วยอุบายนี้ข้าพเจ้าได้ถวายทานที่มีลิ่มสลักออกแล้วนี้อันมีความบริสุทธิ์สามประการและร่างมนุษย์แล้วรื่นรมอยู่ในเทวบุรีเสมอเหมือนกับพระอินท่านพระมุนีบุคคลผู้มุ่งหวังอายุวันณนะสุขะพละและรูปที่ปราณี มีใจไม่ติดข้องในอะไรอะไรพึงถวายข้าวและน้ําซึ่งปรุงดีแล้วให้มากแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าผู้ที่ประเสริฐกว่าหรือเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีบรรดาผู้ควรบูชาทั้งหลายพระพุทธเจ้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งของเหล่าชนผู้ต้องการบุญหวังผลอันภัยบูน มหารัฐวิมานที่14จบมหารัวักที่5จบรวมเรื่องวิมานที่มีในวักนี้คือ 1. มันทูกะเทวปุตตะวิมาน 2. เรวตีวิมาน 3. ชฉะัตตะามนวกกะวิมาน 4. กักกะกะตะระสะทายกะวิมาน 5. ทวารปาละวิมาน 6. ปฐมกรณียวิมานเจ็ดุติยกรณียวิมานแปดปฐมสูจิวิมาน 9. ก้าุติยสูจิวิมานสิบปฐมนาคาวิมานสิบเอ็ดุติยานาควิมานสิบสองตติยานาคาวิมานสิบสามจุลรถฐวิมานสิบสี่ ม, 14. มหารถาวิมาน ภาณวาระที่สจบ 6. ปายาสิกะวักหมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เคยเป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิหนึ่งปถมอาคาริยวิมานว่าด้วย วิมาที่เกิดขึ้นแก่สองสามีพัญญาผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์เรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าสวนจิตละดาเป็นสวนประเสริฐชั้นดีเยี่ยมของทวยเทพชั้นตรทศสรองแสงสว่างสวัยชั้นใดวิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาชันนั้นส่องแสงสว่างสวัยอยู่ในอากาศท่านได้บรรลุเทวริษ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 และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลาณเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเข้าพระเจ้าและพัญญาเมื่อยังครองเรือนอยู่ในมนุษยสียโลกได้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำมีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพยบูนโดยเคารพเพราะบุญ น, นั้นเข้าพระเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ และมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยะอาคาริยวิมานที่สองจบ 3. ผพ ล, ละทายกะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายมะม่วงสีผลพระมหาโมคลานะเทระถามเทพประบุตรตนหนึ่งว่าวิมานมีเสาทําด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดเดิรอบได้12โยธ มีปราสาทเจร้อยยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูลมีพื้นปูล่า ด, ด้วยแผ่นทองคำสวยงามท่านสถิตดื่มกินอยู่ในวิมานนั้นมีถวยเทพพากันบันเลงพินทิพย์ดังไพเราะและเทพกัญญาห4 0 0 0นสี่พันนางมีรูปงามท่องเที่ยวไปมาอย่างสำราญในภพเดาดึงมีสมบัติมากมายเป็นผู้ชำนาญการฟ้อนราขับร้อง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 เมื่อจะถวายทานในหมู่ภิกษุผู้ปฏิบัติตรงได้ถวายผลไม้เป็นประจำจึงได้รับผลบุญอันไพยบู์ผู้นั้นแหละไปสู่สวรรค์ชั้นไตรทศและเสวยผลบุญอย่างไพยบู์ท่านมหามุนีเขาพระเจ้าก็อย่างนั้นเหมือนกันได้ถวายมะม่วงสีผลเพราะเหตุนั้นมนุษย์ผู้ต้องการความสุขปรารถนาความสุขอันเป็นที่ หรือปรารถนาความเป็นผู้มีส่วนดีงามในหมู่มนุษย์เป็นนิดควรถวายผลไม้แท้เพราะบุญนั้นเข้าระเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ผลละทายกกวิมานที่สจบ 4. ปฐมมาอุปสยะทายกกวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแกสองสามีพัญญา ผู้บำรุงพระอระหันต์เรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานะเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกส่องแสงสว่างอยู่ในนภาอากาศชั้นใดวิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาชั้นนั้นส่องแสงสว่างสวยอยู่ในอากาศท่านได้บรรลุเทวริษมีอนุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่าข้าพเจ้าและพันยาเมื่อยังครองเรือนอยู่ในมนุษย์โลกได้ถวายที่อยู่แด่พระอรหันต์มีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้าเป็นทานอย่างไพยบู์โดยเคารพเพราะบุญนั้น ข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปฐมมาอุปัสยะทายกะวิมานที่4จบห้ <5. S 1> ทุติยอุปัสยะทายกกวิมาน ว่าด้วยวิมาที่เกิดขึ้นแกสองสามีพัญญาผู้บำรุงพระอรหันต์เรื่องที่สองพระมหาโมคลานะเทระถามเทพรบุต น, นึงว่าดวงอาทิตย์ปราศจากเมฆหมอกส่องแสงสว่างอยู่ในนภาอากาศชั้นใดวิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาชั้นนั้นส่องแสงสว่างสวัยอยู่ในอากาศและถึง อธิบายนอกนี้พึงให้พิดารเหมือนวิมานข้างต้นและรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยอุปัส ย, ท า, ย า, ทาทายกะวิมานที่หจบ 6. พิกขาทายกะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายอาหารแด่พิกสุพระมหาโมโหคลานเถระถามเทพระบุต น, นึงว่า วิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบสองยดมีประสาทเจ0รยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูลมีพื้นปูลา ด, ด้วยแผ่นทองคำสวยงามท่านได้บรรลุเทวริตมีอนุภาพมากและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเทระถาม จึงตอบปัญหาของผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อเข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เห็นภิกษุผู้กระหายน้าเน็ดเหนื่อยมาในการนั้นเข้าพเจ้าได้ปรุงอาหารอย่างหนึ่งถวายพร้อมทั้งข้าวสุกเพราะบุญนั้นเข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัสมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้พิคขาทายกาวิมานที่6จบเจ็ เยา ว, วะปาละกะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาเข้าเหนียวผู้ถวายข น, นมสดแด่ภิกษุพระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าวิมานมีเสาทําด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้12โยดและมีรัสมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเทระถาม จึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนเฝ้านาข้าวเหนียวได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสประดุดดังทุลีมีใจผ่องใสไม่มัวมองเลื่อมใสแล้วจึงได้แบ่งขนมสดถวายท่านด้วยมือทั้งสองของตนครั้นแล้วจึงบันเทิงอยู่ในสวนนันทวันเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ และมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เยวะวปาละกะวิมานที่7จบ